เวทนาที่ร่างกายและก็ความรู้สึกที่จิตใจมีอยู่ช่วงหนึ่งในการปฏิบัติซึ่งเป็นการเชื่อมต่อจากครั้งก่อนโน้นเมื่อตอนประมาณต้นปีนะตอนนั้นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ใหม่ในขณะที่นั่งปฏิบัติไปเนี่ยปรากฏว่าหูเริ่มอือมันอือมาวูวนดังมากกำลังจะทรงตัวไม่ยู่แต่ในขณะนั้นเนี่ยที่กำลังทำความรู้สึกตัวอยู่โดยการยกมือสร้างจังหวะ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 มันทําให้เห็นก็คือว่าในช่วงนั้นอ่ะที่ที่อาการตั้นหมุนเนี่ยอาการหูอื้อเนี่ยในช่วงนั้นมันทําให้เห็นเลยว่าอ๋อคือคืออันนี้มันจะบอกเป็นธรรมชาติโดยไม่ได้เกิดขึ้นจากการอ่านหนังสือมาแต่มันเป็นอาการอย่างที่บอกคือว่าเหมือนเหมือนว่าเวลาที่น้ําใสเนี่ยเวลาน้ําใสน้ํามันนม่ขุนน้ํามันไม่กระเพื่อมเราสามารถมองเห็นเงาหน้าเางาหน้าเขาเราได้เัยใดอาการช น, นิดก็เช่นเดียวกันนะคือใ น, นขณะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ย